ชีวิตที่เป็นทาสพระ 5 ได้ 1 เมษายนพุทธศักราช 2448 ทรงให้อิสระแก่ไพร่ฟ้า ก็คือพ่อแม่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพ่อแม่ยอมรับใช้ลูกทุกเวลาลูกจะเอาอะไรจะกินอะไรพ่อแม่ยินดีหามาให้อีกประการหนึ่งพ่อ หากบางทีเขาอาจไม่ให้อภัยอื่นพ่อแม่ทีเค้าอาจไม่ให้อภัยแต่สําหรับ กับลูกของตนอยู่เสมอลูกของตนอยู่เสมอแต่ลูกจะพูด คำว่าปากร้ายใจดีมีเด็กชายคนหนึ่งจะไป คงเดินต่อไปตามใจของตนด้านๆมันวิ่งปรีเข้ามา กล่าวคำใดด้วยปากขอคำนั้นอย่าได้เป็น เพราะคำพูดของแม่นั้นมิได้กล่าวออกฉะนั้นถ้อยคำดุด่า พ่อแม่แม่อาจจะแช่งลูกของตนอย่างรุนแรงเช่นว่าให้อ่อนแต่ไม่ ปากร้ายแต่ใจดีสิ่งใดมีๆอยากๆนึกถึงเรา ให้คิดดูบ้างคิดดูบ้างเลี้ยงท่านเสียตอนเป็น คำพูดคือเรามีพ่อได้คนเดียวเรามีแม่ได้คนเดียวพ่อได้คนเดียว เพราะมีเงินมีทองซื้อได้แต่พ่อแม่ มีอะไรก็เอามาให้พ่อให้แม่กินขยันทํางาน ก็ไม่ค่อยทําค่อยแต่จะให้พ่อแม่ทํา พระคุณของพ่อแม่โบราณท่านกล่าวไว้ว่าของพ่อแม่โบราณท่านกล่าวไว้ว่าพระคุณพ่อแม่ พระคุณของพ่อแม่ออกมาเป็น 5 สอได้ดัง 1 พ่อแม่เป็นผู้สร้าง 2 พ่อแม่เป็นผู้สอนชีวิตสอนให้ 3 พ่อแม่ เป็นผู้ส่งคือส่งลูกให้ได้รับการศึกษาเล่า 4 พ่อแม่เป็นผู้เสริมคือคอยสนับสนุนประคับประคอง ทั้งความสุขเพื่อความงอกงามภัยบุญของลูกทรัพย์สิน ราคุณของพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดชีวิตเทียบ นั่นคือคนตาบอดคนตาบอดคนตาบอดคนตาบอดไม่เห็น คนที่สังคมถือว่ามีการศึกษาเป็นปัญญาชนบางกลุ่มให้ความสำคัญของพ่อแม่ว่าเป็นแค่โรงงานผลิตวัตถุส่วนตัวเขาเองเป็นเพียงผลิตภัณฑ์แห่งตัณหาราคะเท่านั้นแบบ ความคิดเช่นนี้ยิ่งเกิดจากคนที่ไม่สามารถจะปรับชีวิตของเขากระจายไปได้ไม่สามารถ ที่ดีงามได้ดีงามได้เขาจึงหาวิธีที่จะ ในอุปการะคุณของพ่อแม่เป็น พยายามเรียกร้องให้คนเห็นคล้อยตามคนดี ตราบใดของบุปการีคือพ่อแม่อยู่ยังมีความห่วงใหญ่ป่า นี่คืออาการของโรคอุบัติที่ คนเราเราแม้กระทั่งพ่อแม่ของตนแล้วก็จะยังเหลืออะไรได้แม้โลกและสังคมอยู่เย็นเป็น ท่านผู้เป็นพ่อแม่ก็ควรจะด้วยบ่ได้ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกอย่าเป็นเยี่ยง ต่อบุพการีให้ลูกได้ที่ลูกไม่กล้าเข้าใกล้ทั้งสามวิธีนี้แหละเป็นการเลี้ยงลูกที่ถูกทางเป็น อันเป็นคนดีผลในสายตาของลูกให้ลูกเห็นพ่อแม่เป็นคนนิเวสเยแปลว่าจะ หากพฤติกรรมกับคําสอนไม่ตรงกันคําสอนหรือคําแนะนําก็จะไม่ศักดิ์สิทธิ์อาศัยเหตุนี้พฤติกรรม ก่อแก้ที่ลูกปลูกที่โรงเรียนเปลี่ยนที่วัดเพื่อขัดและขูดลูกปลูกที่ ท่านที่มีลูกคือความขยันความอดทนความทั้ง 5 เป็นแววคือดูที่ความขยันที่จุดหมายปลายทางของชีวิตต่างกันขยันคนขี้เกียจกับคน เพราะความนิ่งดูดายคนขี้เกียจมักจะไร้เกียรติและถูกรังเกียจดูที่เยอะหนาวบ้างร้อนบ้างเหนื่อยบ้าง ดูที่ความประหยัดว่าเป็นตุ่มก้นรั่วหรือ ดูที่ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นี้เป็นคุณธรรมสําคัญเราจะฝากอะไร จะเป็นยี่ห้อของคนยี่ห้อของคนเป็นตราประทับรับประกันคุณภาพ บางรายมีลูกชายก็ไม่ได้พัก น่าสงสารซึ่งตัวอย่างนี้เป็นเรื่อง ตลอดเวลาเจ้าป้องจะสังเกตเห็นอะไรพ่อจึงๆและป้องจะเป็นผู้ วันหนึ่งป้องอดใจไม่พ่อว่าพ่อทําไมพ่อไม่ให้ปู่อยู่เรือนหลังใหญ่ทําไมให้ไปอยู่กระท่อมริมรั้วบ้านหลังใหญ่นี้ปู่เป็นผู้สร้างมิใช่หรือพ่อตอบ จะได้ทำอะไรตามใจชอบป้องก็ตอบๆเนี่ยทําไมพ่อตอบว่าอ๋อก็ปู่ของเจ้าแก่ๆใส่ไป จนวันก็ร้องเรียกขาพ่อจึงถามว่าป้องก็ร้องเรียกหาไปพ่อขัดไปทําไมลูกอ้าว ถ้ายังไม่แตกแล้วลูกขัดกะลาไปทําไมขัดเตรียมไว้ครับเตรียมไว้อะไร ถึงตอนนั้นผมจะได้แม้นต้องเสียขัดขัดเตรียมไว้เสียแต่ตอนนี้ดีกว่าครับถ้าไม่อยาก